จเจริญสุขทั้งสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นการประกอบการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาและยิ่งไปกว่านั้นก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อที่ว่าสัพปริสบัญญัติคือข้อที่สัตว์ปรุษควรตั้งไว้ 3. ประการคือหนึ่งทานสละให้สิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสองบรรปชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันส า, ม, ม, ามาตาปิตกุปัปฐานปฏิบัติมารดาบิดาของตนให้เป็นสุขธรรมะสามข้อนี้ได้ชื่อว่า เป็นข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้อันนี้ก็หมายความว่าผู้ที่จะเป็นสัตบุรุษนั้นอาจจะต้องมีธรรมทั้งสามประการนี้อยู่ในจิตในใจถ้าหากว่าเป็นสัตบุรุษหรือว่าเป็นนักปราชญ์เป็นคนดีแล้วไม่มีธรรมสามประการนี้จะเป็นสัตบุรุษไม่ได้นะจะเป็นสัตบุรุษไม่ได้ฉะนั้นจะเป็นสัตบุรุษนั้นจะต้องมีคุณธรรมคือเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เว้นจากการเบียดเบียน เราจะต้องรู้จักคุณของผู้มีพระคุณถ้าหากว่าเราทราบอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดผู้ที่ศึกษาก็ควรทราบว่าคุณธรรมสามประการนี้แต่ละประการย่อมเป็นสำคัญอย่างยิ่งจำแนกเป็นอย่างสูงสุดของมนุษย์ชนทั่วไปคือบุคคลทั่วๆไปนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมสามประการแต่ะละเว้นเสียมิได้ บุคคลใดไม่ได้เอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ประพฤติคุณธรรมทั้งสามประการนี้บุคคลนั้นเอาตัวไม่รอดดำรงชีพยอยู่ด้วยอาการอันแรนแค้นไม่ได้รับความสํำราญในชีวิตส่วนบุคคลใดตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมสามประการนี้แล้วบุคคลนั้นก็ย่อมอาจเจริญด้วยลาบยศสุขสรนเสริญแล้วก็นับว่าจะเป็นคนที่ตั้งตนได้ทั้งใน ปัจจุบันชาตินี้และในอนาคตข้างหน้าและผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุข ก, กายความสบายใจเพราะคุณธรรมสามประการนี้มีอคุณอันยิ่งใหญ่ดังที่สักรุษท่านได้ตั้งไว้เป็นข้อปฏิบัติของท่านสาธุชนทั่วทั่วไปฉะนั้นก็ใครจะขออธิบายแต่ละข้อละข้อให้กว้างขวางออกไปอีก ในข้อแรกที่บอกว่าทานคือสละให้ปันสิ่งของของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็หมายความว่าให้เรานั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อบุคคลทั่วๆวไปมีเมตตากับบุคคลที่เกิดความขัดสน เ, เกิดความขาดแคลน เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเราก็จะต้องให้ความช่วยเหลือนะต้องให้ความช่วยเหลือต้องให้ความเกื้อกูลเท่าที่โอกาสเราจะมีทำได้การที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลนั้นนับว่าเราได้หยิบยื่นความสุขของเราให้กับผู้อื่นนับว่าเราเป็นผู้ที่เฉลี่ยความสุขให้กับคนอื่นคนที่ทำอย่างนี้ได้ เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเขาเรียกว่าสละประโยชน์สุกส่วนน้อยแต่หวังเอาประโยชน์สุกส่วนหน้าและตัวเองนั้นถือว่าการให้นั้นถือว่าเป็นการยึดเหนี่ยวไว้ซึ่งความรักความสามคัคคีฉะนั้นสัตว์รุษจึงได้ตั้งเอาข้อนี้ไว้เป็นข้อแรกนะเอาไว้เป็นข้อแรกเพราะว่าคนเราทุกคนนั้น เกิดมาไม่เหมือนกันนะเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนนั้นเกิดมาก็มีแต่ความสุขความสบายเพราะอาศัยบุญญาปรมีของอพ่อแม่ที่ได้สังสมเอาไว้ก่อร่างสร้างเอาไว้ดนั้นตัวเองก็มาได้กินบุญของพ่อของแม่นะก็จึงได้มีความสุขมีความสบายไม่เดือดร้อนอันนี้จะเป็นเพราะว่าผู้นั้นได้ สร้างสมในสิ่งที่ดีงามมาในอดีตแต่ชาติอย่างหนึ่งแล้วมาในปัจจุบันชาตินี้ได้อยู่ในที่ดีได้บิดามารดาที่ดีก็ตัวเองก็เลยพลอยทำให้อยู่ดีกินดีมีความสุขไปด้วยไม่เดือดร้อนไปด้วยทีนี้ก็มีอีกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเกิดมาแล้วก็เกิดความยากจนข้นแค้นเรียกว่าจนทั้ง ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติและแม้แต่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็รู้สึกว่ามันก็คล่องขัดไปหมดนะฉะนั้นคนประเภทหลังนี้แหละเราจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้างนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะการทำนาทำไร่หรือการดำรงชีพนั้นไม่ค่อยเอื้ออํานวยผลให้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งนะความแห้งแล้งอย่างหนึ่ง หรือบางที่ก็อาจจะเกิดภัยน้ำท่วมอย่างหนึ่งอันนี้แหละเราก็ต้องมีการเสียสละเพื่อเป็นการช่วยอุปถรัรมภ์คำจุนให้เขานั้นได้รอดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากนะเป็นอย่างมากนี่โดยประการหลังสุดก็คือว่าเราจะต้องเสียสละให้สิ่งของของตนกับเพื่อนร่วมชาติของเรา หรือร่วมโลกของเราที่ยามเกิดภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติเป็นต้นว่าเกิดอุทกภัยนะเกิดภัยจากน้ำท่วมหรือว่าเกิดวาตาภัยเกิดภัยจากพายุลมพัด ต, ต่างๆอักคีภัย เ, เกิดไฟไหมหรือว่าโจรภัยเกิดโจรปล้นจนสิ้นเนื้อประดาตัวหรือว่าเกิดสงครามอะไรอย่างนี้อันนี้เราถือว่ามันเป็นภัยอย่างมหานนะ เป็นภัยอย่างมหันาฉะนั้นผู้ที่อยู่ในฐานะตกยากลาบากอย่างนี้แน่นอนที่สุดย่อมจะมีแต่ความทุกย่อมจะมีแต่ความเดือดร้อนถ้าหากว่าใครได้ช่วยเหลือเขาผู้นั้นก็เหมือนกับว่าเป็นเทพเจ้านะเหมือนกับว่าเป็นเทพเจ้าได้หยิบยื่นเอาคุณธรรมความดีหยิบยื่นเอ า, เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยให้เขานั้นได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกนะ ท่านผู้ฟังทั้งหลายคนที่ตกอยู่ในฐานะแห่งความลำบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากว่ามีใครมาช่วยเหลือเขาในตอนนั้นผู้นั้นน่ะเรียกว่าเท่ากับว่าเป็นผู้ที่ชุบชีวิตให้เขาใหม่นะเป็นผู้ชุบชีวิตให้เขาใหม่ฉะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกับบุคคลเช่นนี้ให้มากนะเท่าที่ฐานะของเราจะพึงทาได้อ่า ข้อนี้สาคัญดงนั้นคนเราบางครั้งก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะเพราะว่าเรานั้นเกิดมานะไม่ได้อยู่คนเดียวนะต้องอยู่ในสังคม เ, เมื่อมีสังคมก็ต้องมีเป็นกลุ่มใหญ่คือประเทศชาติประเทศชาตินั้นไม่ได้อยู่ได้เพียงคนคนเดียวสองคนเท่านั้นคนทั้งประเทศนะคนทั้งประเทศเป็นคนเสียสละ เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเสียสละเพื่อในการปกป้องประเทศอันนี้แหละประเทศของเราจึงจะอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าคนในประเทศนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คอยไม่คอยช่วยเหลือเพื่อกูซึ่งกันและกันแ ล, แล้วหรือในยามที่เกิดความขับขันขึ้นมาเราต่างก็จะเอาแต่ตัวรอดนะไม่รวมพันด็กกำลังกันไม่รวมความสามัคคีกันแน่นอนที่สุด ตัวเองก็อยู่ไม่ได้สังคมก็อยู่ไม่ได้ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้เมื่อประเทศชาติอยู่ไม่ได้เราก็เดือดร้อนไปหมดเลยฉะนั้นอันนี้แหละจึงขอให้ท่านทั้งหลายจะต้องอมีการอุดหนุนค้ำจุนซึ่งกันและกันนะถ้าเราทําอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดประโยชน์สุขก็จะเกิดขึ้นแก่เราทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับคือพระพุทธองค์ก็ได้ตัดไว้แล้วว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับนะคนลองถ้าเขาให้แล้วก็ทุกคนต้องพอใจไม่มีคนไหนรกเกลียดคนให้ทานนะไอคนที่เกลียดคนให้ทานอนะ่ะขอประทานโทษเถอะมันไม่ใช่คนธรรมดานะต้องเป็นคนผิดปกติไปแล้วนะผิดปกติไปแล้วฉะนั้นเกิดเป็นคนควรให้ทานนะควรให้ทานอันนี้ความหมายในในหลักของนักธรรมตรีก็มีไม่มากนะ มีไม่มากมีแค่นี้แต่ก็จะอธิบายให้กว้างขวางออกไปอีกนะให้กว้างขวางออกไปอีกคือการเสียสลากของของตนเนี่ยที่ว่ามุ่งให้เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนั้นมันก็มีอยู่สามประการนะสามประการจะแยกออกให้กว้างขวางออกไปอีกหนึ่งเรียกว่าทาสถานคือให้ของต่ำนะให้ของต่ำสองสาหายทาน ให้ของเสมอกับตนมีตนใช้สามสามมีทานคือให้ของสูงนะให้ของสูงในข้อแรกที่บอกว่าให้ทาตุทานนั้นก็คือว่าให้ทานเหมือนกับเหมือนกับให้ของธาตให้ของคนใช้นะให้ของคนใช้ให้หรือเหมือนกับให้ของอย่างเบาใช้นะเหมือนกับเจ้านายให้ของเบาใช้คือให้ของไม่ดี ให้ของเลวนี่ให้ของไม่ดีให้ของเลวแน่นอนที่สุดในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าให้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นให้ของดีก็ต้องได้ดีให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีให้ของเลิศก็ได้ของเลิศให้ของประเสริฐก็ให้ของประเสริฐให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดให้ของประนีตก็ได้ของประนีตแต่เมื่อเราให้ของไม่ดี เราก็เลยได้รับของไม่ดีอันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านลองถามใจดูว่าตัวของท่านเองเป็นอย่างนั้นไหมเวลาจะให้ของผู้อื่นนั้นมักจะเอาของไม่ดีให้มีเสื้อผ้าอาพรมีตั้งหลายตัวแต่เวลาจะให้คนอื่นนั้นต้องเอาไอ้ตัวที่ไม่ดีให้ไอ้ตัวที่ขาดให้ไอ้ตัวที่มันอย่างนั้นก็กลางใหม่กลางเก่าเราก็ไม่กล้าให้เสียดายหรือยิ่งถ้าเป็นตัวใหม่ๆเราก็ยิ่งไมใ่ให้ใหญ่เลยเสียดายนี่แหละ เมื่อเราให้ของที่มันไม่ดีนะให้ของขาดขาดให้ของเก่าเก่าให้ผลที่เราได้รับก็คือว่าได้ของเก่าเก่าของขาดขาดเพราะว่าใจของเรามันฟ้องว่าใจของเรานั้นมันเก่าเก่าใจของเรานี่ยมันขาดขาดก็คือว่ายังมีต น, นีนะยังลุ่มรุ่มดอนดอนอะ่ายังลุ่มรุ่มดอนดอนอยู่ฉะนั้นอันนี้แหละฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดว่า จะให้ของเขานั้นควรจะให้ของอย่างไรนะถ้าหากว่าตนไม่มีนะตนไม่มีของดีที่ให้มีอย่างนั้นอันนั้นไม่เป็นไรก็ถือว่าดีแล้วถึงแม้มันจะเก่าจะขาดก็เพราะตนมีอยู่อย่างนั้นอ่าเรียกว่าในตัวนั้นน่ะถือว่าดีมากแล้วอย่างนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามีดีแล้วไม่ให้ของดีมีของอย่างกลางก็ไม่ให้ของอย่างกลางแต่ว่าไปให้ของเลวแน่นอนที่สุดนั่นแสดงว่าใจของเรานั้นต่ามาก นะนี่อย่างนี้ไม่ดีประเภทที่สองสหายทานก็คือให้ถ้าพูดแล้วก็คือให้สหายิไอ้คําว่าให้สหาหิเนี่หมายถึงว่าให้ของเสมอเหมือนกับให้ของเพื่อนอหรือว่าให้พวกมิตรสหายอย่างนี้เช่นว่าตนมีกินอย่างไรมีใช้อย่างไรก็ให้อย่างนั้น ตนกินของดีก็ให้ของดีตนกินของไม่ดีก็ให้ของไม่ดีตนใช้ของดีก็ให้ของดีตนใช้ของไม่ดีก็ให้ของไม่ดีคือเรียกว่าตนมีอย่างไรใ ห, ให้อย่างนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าเสมอ ER, นะให้เสมอ ER, ต้นเสมอปลายเสมอกับที่ตนมีตนใช้อย่างนี้ก็พอตัวนะอย่างนี้พอตัวประเภทที่ myself, สามเรียกว่า ให้ของสูงนะสามีทานให้ของสูงไม่ได้หมายถึงว่าให้สามีนะไม่ได้หมายถึงว่าให้สามีอันนี้เคยฟังมีเพลงเพลงหนึ่งเขาร้องนะว่าสามีทานให้สามีเขาไปนะว่าสามีของเราใครเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเถิดทุนหัวอย่ามัวหวงยายอย่าไปหวงตัวเขาว่า่างั้นอันนี้ก็ยังนึกว่า ไอ้ที่เขาพูดว่าสามีทานเนี่ยให้สามีเป็นทานนะจะเอาให้ความหมายของคําว่าสามีนี้ไปไปร้องหรือเปล่าไอ้ความหมายของสามีนี้นะไม่ได้หมายถึงว่าให้สามีไปเป็นทานนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะจะมีใครที่จะกล้าให้สามีเป็นทานอย่างนี้มันก็ขอประทานโทษนะเกินไปนะเกินไปเขาไม่มีหรอกทั้งโลกนี่ไม่มีใครที่จะยกสามีให้เป็นทานนะแต่ก็ไม่แน่ าาว่าจะมีใครที่จะทําตัวเป็นพระเวสสันดรอพระเวสสันดรก็ยังยกภรรยาให้เป็นฐานได้ยกบุตรให้เป็นฐานได้อันนั้นก็เพื่อปรารถนามรรคผลผนิพพานเพื่อปรารถนาความเป็นใหญ่กว่านั้นอ่ขึ้นไปอีกหลายร้อยหลายพันเท่านั่นก็เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นวิสัยของคนธรรมดาเป็นวิสัยของคนเหนือโลกนคนเหนือโลกแต่ทีนี้ถ้าหากว่า อใครบอกจะให้สามีเป็นทานทั่วๆไปแกใครต้องการอย่างนี้คงไม่มีใครกล้านะเพราะคนโบราณเราถือเป็นคติที่ว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครฮมนะีคนโบราณนะคนโบราณว่าจะเสียทองเท่าหัวนะเสียได้นะเสียได้แต่จะเสียผัวให้คนอื่นนั้นเสียไม่ได้นะเสียไม่ได้คือรักผัวมีค่ามากกว่าทองคํา ไอ้ทองคํานะั้มันเอาไปใช้เดี๋ยวก็หมดนะดีไม่ดีเขาอาจจะมีพิษมีภัยอถูกโจรผู้ร้ายมาจี้มาปล้นมาฆ่าเสียได้แต่ว่าสามีหรือผัวของเรานั้นถ้าหากว่าอยู่กับเราแล้วจะก่อร่างสร้างตัวอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ได้ทองมากกว่านั้นก็ได้นะแล้วก็มีความสุขมากกว่าทองก็ได้นี่อํานวยประโยชน์เกื้อกูลทุกสิ่งทุกอย่างทองมันพูดไม่ได้นะแต่ว่ามีผัวมีสามีนี่พูดได้ แต่ว่าคนเดียวนี้ตรงกันข้ามนะไม่ได้คิดเหมือนแบบโบราณว่าเสียทองเท่าหัวอไม่ยอมเสียผัวให้ใครคนเดียวนี้ก็ถือว่าถ้าได้ทองเท่าหัวแล้วใครอยากได้ผัวเอาไปมันคิดอย่างนี้เดียวนี้ก็เลยยังว่าสบายเนี่ยสมัยนี้สบายเพราะถือว่าแหมสมัยนี้ทองแพงนะถ้าได้ทองสักเท่าหัวคนนี้โอ้โหกินไปตลอดชาติเลยะบาทหนึ่งเท่าไหร่เดียวนี้แพงเหลือเกินตั้งสี่พันห้าพัน ใครอยากได้ผัวเอาไปเลยเปลี่ยนใหม่สบายเปล่าสบายบื้อไปเลยอันนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามโลกไปตามสังคมไปตามเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะก็ย่อมจะเปลี่ยนไปแต่จะอย่างไรก็แต่ก็แล้วแต่ในความหมายของคำว่าสามีทานนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้สามีหมายถึงว่าให้ของสูงให้ของสูงกว่าที่ตนมีตนใช้ให้ของสูงกว่าที่ตนมีกินที่ตนมีใช้ หมายความว่าตัวเองก็อาจจะกินอาหารแกงต้มธรรมดานะแกงต้มธรรมดาแต่ว่ามีอาหารที่ประณีตกว่านั้นเข้าไปอีกที่ตัวเองมีอยู่นะที่เก็บเอาไว้ก็ยินดีจะให้คนอื่นนะยินดีที่จะให้คนอื่นเอาอย่างนี้ก็ให้ไปนะให้ไปเถอนะไม่เป็นไรเพราะว่าการให้นั้นมันก็มีความหมายแยกออกไปหลายอย่างเช่นว่าเป็นการให้เพื่อบูชาคุณ ให้พ่อให้แม่ให้ครูอุปชาอาจารย์หรือว่าทำบุญใส่บาตรตอนเช้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เพื่อบูชาคุณแล้วก็ส่วนให้ใหเพื่อสงเคราะห์กันก็คือว่าเป็นการให้กับคนที่ยากจนค้นแค้นที่ลำบากเดือดร้อนกว่าที่ตนดำรงชีวิตอยู่หรือในยามที่คนเขาตกทุกข์ได้ยาก เกิดความลําบากเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยน้ําท่วมวาตะภัยอักขีภัยโจรภัยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นการให้เพื่อสงเคราะห์กันฉะนั้นในการให้ทั้งสองอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการให้เพื่อกําจัดความตันหนีนะเป็นการให้เพื่อกําจัดความตันหนีเพื่อกําจัดความโลภเพื่อกําจัดความเห็นแก่ตัวฉะนั้นถ้าคนที่ให้ของสูงเขาย่อมจะได้รับของสูงตอบแทนนะ ตนมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดีก็มีกลางๆ ก, ก็มีที่เลวก็มีแต่ไม่ให้ของเลวของกลางๆ ก, ก็ไม่ให้ให้ของดีเพราะยึดถือว่าถ้าตนให้ของไม่ดีแล้วก็จะได้ของไม่ดีตอบแทนและดีไม่ดีก็อาจจะเป็นที่ดูหมิน่นดูแคลนของผู้รับก็ได้ว่าจะให้ของทั้งทีก็ให้ของที่ไม่ดีให้ของที่ไม่งาม ท, างทั้งๆที่ตนก็มั่งมีสีสุขเหลือเฟืออย่างมาก คนบางคนก็คิดอย่างนั้นก็มีบางคนร่ารวยมากนะร่ารวยมากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวไม่ยอมนะไม่ยอมให้ของดีนี่อันนี้เคยเห็นคนไปขอทานนะไปขอก็พอดีไปถึงหน้าบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งนะก็ไปร้องเรียกอ่านะร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเพื่อขอทานปรากฏเป็นไงนะเศรษฐีคนนั้นเปิดประตูบ้านมาให้ไปสลึะ ให้ไปเสลิงหนึ่งราโกด้วยคนขอทานมันไม่เอาหรอกมันบอกว่าขอให้อคุณนายเอาไว้ใช้เถอะนะอะว่าผมถึงแม้ว่าจะยากจนขอทานก็ไม่ถึงกับขนาดจะรับเงินอย่างนี้หรอกแหม่นี่ดูไอ้พิเจอเอาไอ้ขอทานบรรดาศักขึ้นมาอย่างจ้องหองน ะ, อ, ะอยังจองหองเขาให้เสลิงึงยังไม่เอานี่ฉะนั้นก็ไอ้คนลองถ้าให้ทานคนขอทานไม่เอาก็มันก็ขนาดหนักนะถือว่าขนาดหนักไอ้ขนาดคนขอทานมันไม่เอาแล้วก็ แย่แล้วนะอันนี้แย่แล้วฉะนั้นอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดน ะ, ะเตือนจิตสกิจใจว่าการให้ทานนั้นเราจะต้องเลือกนะต้องเลือกให้เหมือนกันนะเพื่อให้เป็นประโยชน์นะเมื่อเราให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนแล้วให้เป็นประโยชน์แน่นอนที่สุดพลานสิสงมันก็เกิดมากนะเกิดมากทำไม่เถอะถ้าหากว่าเราทุกคนนี้เกิดมาต่างก็ เป็นคนเสียสละด้วยกันทุกคนแล้วก็เสียสละตามฐานะมีมากก็เสียสละมากมีน้อยก็เสียสละน้อยโลกนี้ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโลกนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความยิ้มแย้มเช่มชื่อโลกนี้จะเหมือนกับเป็นโลกเป็นสวนแห่งดอกไม้ดูแล้วมันน่ารื่นรมน่าชื่นบานนะโลกนี้จะเหมือนกับว่ า, าเป็นโลกในยุค ข, ของพระศรีอานเรียกว่า คนทุกคนนี่ดูหน้ายิ้มแย้มแจม่แจมใสหน้าชื่นตาบานนะเหมือนกันหมดนะแต่ถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีการเสียสละให้กันไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีการเห็นจิตเห็นใจกันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแน่นอนที่สุดโลกนี้ก็จะลุกเป็นไฟโลกนี้ก็จะเดือดร้อน โลกนี้ก็จะมีการแข่งแย่งกันมีการชิงดีชิงเด่นกันมีการต้นฆ่าอาณาจารกันต่างๆนานาฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเสียสละให้แล้วก็เท่ากับว่าเรานี้เป็นการยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว้นะยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว้ยึดเหนี่ยวความสามารคีไว้นี่เพราะคนที่ให้นั้นเป็นคนมีน้ําใจนะมีน้ําใจ น้ำมันมีที่ไหนนะความร่มเย็นก็เกิดขึ้นที่นั่นความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นที่นั้นสิ่งมีชีวิตขาดน้ําไม่ได้ถ้าขาดน้นําแล้วก็ตายนะฉะนั้นคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าน้ําใจมีนะบริวารก็มาเนี่บริวารก็มาแต่ถ้าหากว่าไอ้น้ําใจมันมันแห้งนะบริวารมันก็หดมันก็หายนะฉะนั้น เราจะต้องเป็นคนมีน้ำใจไอ้คนมีน้ำใจก็คือว่าคนที่หยิบยื่นน้ำใจของตัวเองไปให้กับคนคนอื่นการหยิบยื่นน้ำใจไปให้ก็คือว่าอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆอ่าเป็นต้นว่าอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบายยูกยาที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่แหละที่เขากินได้ที่เขาใช้ได้อ่าเท่าที่เขาต้องการเท่าที่เขาปรารถนาเมื่อเรา ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่างนี้เท่ากับว่าผู้นั้นมีน้ำใจนะมีน้ำใจหรือบางครั้งเรามีน้ำใจในการที่จะแนะนำชี้แนวทางในทางที่ดีให้นะบอกทางดีชี้ทางชั่วให้แนะนำให้เขาเตือนสติให้เขากลับเนื้อกลับตัวเมื่อเขาผิดพลาดหรือเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ว่าเป็นคนมีน้ำใจนะเป็นคนพูดดีนะพูดดี ไม่เป็นการกระทบกระทั่งผู้อื่นอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนมีน้ำใจนะมีน้าใจคนคนมีน้ำใจใครครบค้าสมาคมเขาก็สบายใจนะมีแต่ความร่มเย็นแต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีใครอยากเข้าสมาคมนะเพราะว่าเข้าไปใกล้มันก็เหมือนกับว่าไปอยู่ในที่ในที่แห้งแล้งมันเดือดร้อนมันไม่มีความสุขนะมันไม่มีความร่มเย็น คนมีน้ำใจก็เหมือนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยอผลเต็มไปด้วยดอกเต็มไปด้วยใบอ่ากิ่งก้านแพ่สาขาแน่นหนาใครมันก็อยากเข้าไปพึ่งพางอาศัยฟงวิหกนกกาก็อยากเข้าไปพึ่งพางอาศัยเพราะเป็นที่คุ้มภัยได้และให้ประโยชน์กับตัวเองได้คนเราเหมือนกันถ้าเป็นคนมีน้ำใจอเป็นคนให้ทานเป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นผู้นั้นทําตัวเองเหมือนกับเป็นต้นไม้ใหญ่ เต็มไปด้วยดอกใบผลเรียกว่าใครเข้ามาอาศัยร่มก็ได้อาศัยใบก็ได้อาศัยผลาทานก็ได้อเปลือกก็อาจจะเป็นยาได้อีกนี่เรียกว่าทําตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากคนอย่างนี้เป็นคนประเสริฐนะเป็นคนประเสริฐเป็นคนเลิศกว่าคนเป็นคนดีเหนือคนธรรมดานะ ควรแก่การยกย่องควรแก่การเคารพควรแก่การบูชานี่แหละมันชื่อว่าเป็นทานนะงั้นการให้ทานนี้บางครั้งเราก็ให้เพื่อเป็นการาบำรุงเช่นว่าสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างถนน อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทานอีกเหมือนกันนี่เรียกว่าให้เป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพราะคนเราถ้าสร้างโรงเรียนแล้วนี่โรงเรียนเป็นที่ให้การเรียนการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาลูกหลานของพวกประชาชนทั่วๆไปนะหรือว่าสร้างโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นสถานที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นแน่นอนที่สุดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ตัดไว้แล้วในอปิญหาปัจเจวคหนัว่าให้เราพิจารณาว่าเราทุกคนนั้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้นี่ฉะนั้นคนที่สร้างโรงพยาบาลก็เท่ากับว่าสร้างที่บำบัดทุกบำบล่งสุขสร้างที่บำบัดโรคนะทุกโศกโรคภัยที่มารบปรุ่มใจกายนั้น ให้หมดไปให้เบาบางไปให้หายไปก็เท่ากับว่าชุบชีวิตของผู้นั้นให้เฟื้นขึ้นใหม่นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ของสูงเหมือนกันนะให้ของสูงให้โรงพยาบาลนี่แล้วก็สละทรัพย์เพื่อในการสร้างทําถนนหนทางแหมหรือว่าสร้างสะพานนี่อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากนะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมเพราะว่า ถนนนี้ถ้าหากว่าถ้ามันไม่มีทางไม่มีถนนเราก็เดินลำบากนะอาจจะเป็นน้าครุกคลาอ่าเกะกะไปด้วยพวกต้นมมกรากไม้มีอะไรเดินไม่ค่อยสะดวกการสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวกแต่เมื่อทำถนนหนทางแล้วก็ทำให้การสัญจรไปมาตามหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านเข้าออกตามตรอกซอกซอยมันสะดวกนะอันนี้แหล ะ, ะท่านผู้ฟังทั้งหลายบางคนนี่ห่วงเหลือเกินนะหวงที่ที่จะทาถนน ทั้งนี่เสียเป็นสอกเป็นวาแค่นั้นแหละเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเขาไม่กล้าเสียสละให้นะถ้าตัวเองได้เสียสละไปแค่นั้นโอ้ยคนจะพูดพรณนาถึงเคารพบูชาเท่ากับว่าสร้างสร้างความสุขให้กับคนหมู่มากแต่ว่าตัวเองไม่กล้าเสียสละให้บางครั้งถึงมีการทะเลาะเบาแหวงกันก็มีนะอันนี้ก็มีและตัวเองนั้นยอมลำบากเดินลุยน้ําลุยหลม่มลุยโคลน เ, เข้าตรอกซอกซอยเข้าบ้าน เ, าเพราะไม่ยอมเสียสละ ให้ที่หรือเจ้าหน้าที่เขามาทําถนนหนทางนี่ด้วยความห่วงแหาอันนี้ก็มีมากนะสร้างสะพานข้ามน้ําลําคลองแหมนี่ก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีสะพานเราก็อาจจะข้ามลําบากมีเรือมีแพมันก็อาจจะเสี่ยงอันตรายเรือล่มได้นะคนไม่มีเรือมีแพก็ยิ่งลําบากใหญ่เลยนะข้ามน้ําข้ามท่าเดือดร้อนมากแต่เราสร้างสะพานให้แล้วก็เท่ากับว่าเราสร้างความสุขให้นะเราสร้างความสุขให้ และอีกหลายๆอย่างที่เราเสียสลับไปสร้างที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมบางคนให้เป็นวัตถุให้เป็นเข้าสารให้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ยิ่งเกิดในยามฤดูหนาวเนี่ยก็จะเห็นดูทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขหรือท่านผู้ใจบุญทั้งหลายก็มีไปแจกผ้าห่มกันเสื้อกันหนาวกันตามตำรวจตะเวนชายแดนหรือาตำทหารชายแดนบ้างหรือตามพวกชาวเขาหรือประชาชนที่ตกกรรมลาบากอยู่ตาม ตามเขาตามดอยหรือว่าตามที่กันดาลอะไรต่างๆอันนี้นับว่าเป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์เือเกินฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ที่ได้ตั้งใจเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างนีนะ้ก็หวังได้เลยว่าคนที่ทำประโยชน์จากนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือได้รับความสุขนะได้รับความสุขได้รับความสบายใจนะกับตัวเองและก็ หยิบยื่นความสุขให้กับผู้อื่นพอเขาได้รับของเราเนี่เขาจะมีความสุขใจมากนะเริ่มใจมากดีใจมากนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนี่สุขอยู่ตลอดเวลานะท่านลองนึกสิยังอนาถวินิกาเศรษฐีแกทำบุญให้ทานจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรจะกินต้องขอทานเขากิน ขอทานเขาแก่ก็ยังไม่ละไม่เลิกละที่จะให้ทานเพราะแกอยากจะทําบุญใส่บาตรพระอยากจะให้ทานคนทั่วไปอขนาดแกยากให้ทานจนยากจนถึงขนาดนั้นแกก็ไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยเบื่อหน่ายนี่ผลที่สุดคือว่าแกก็เลยร่ํารวยอย่างมหาศาลจึงได้นามว่าอนาธบินิกะเศรษฐีนะรวยมากท่านขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย คนที่ร่ำรวยส่วนมากเนะี่ยมาจากการเสียสลักนะใช่คือตัวเองนั้นก็จะต้องก่อร่างสร้างตัวนะจะต้องขยันทํากิจการงานรู้จักเก็บรู้จักจับจ่ใจนะอันนี้เมื่อเรามีอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดเมื่อมีมากแล้วก็เฉลี่ยความสุขให้กับคนอื่นนะตัวเองก็ยิ่งร่ำรวยมากร่ำรวยในบุญกุศลด้วยนะร่ำรวยทรัพย์สมบัติด้วยอันนี้เป็นของคู่กันนะนี่ก็เป็นเรื่องฐานข้อที่สองก็คือเรื่องบรรประชา ข้อที่สองบรรพชาคำว่าบรประชานี่ก็คือหมายถึงว่าการถือบวดก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันคุณธรรมข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขด้วยว่าบรรดาสัตว์ไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์หรือว่าสัตวีรฉานต่างก็รักชีวิตของตัวกลัวแต่การต้องทำร้ายกลัวต่อความตายทั้งสิ้นด้วยกันตงนั้น ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่ให้ใครมาทาร้ายชีวิตของตนและไม่ตรานานที่จะให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาตัดกรรมสิทธิ์ในทรัพสมบัติของตนทั้งสิ้นเมื่อจับทั้งหลายถูกทําลายร่างกายหรือว่าทาลายชีวิตสละทรัพสมบัติหรือว่าทําลายชีวิตนะสละทรัพ ส, ส, สมบัติเป็นต้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมเกิดทุกโธมนั่งนะเกิดความเสียใจไม่มีความสุขด้วยเหตุนี้แหละเราควรจะเว้นจากการเหยียดเบียซึ่งกันและกันเมื่อเว้นจากการเหยียดเบียนซึ่งกันแน่นอนที่สุดก็จึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขเป็นบ่อเกิดแห่งความสบายใจนะเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมก็คือความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยเราก็คือมีคุณธรรมในข้อเมตตาพรหมวิหารนะคนเราทุกคนไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนคนทุกคนนั้นรักสุขเกลียดทุกนะอย่าว่าแต่คนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเหมือนกันมันก็ไม่อยากให้ใครเบียดเบียนทุกคนรักชีวิตทางนั้นชีวิตนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหวงแหนที่สุดสัตว์มันก็รักชีวิตอนะถ้าหากว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดไปทําร้ายมัน นะคิดจะไปข่ามันเนี่ยมันต้องหนีสุดชีวิตเลยนี่เป็นธรรมชาติทุกคนกลัวตายนอกจากว่ามันจนกรอกนะจนกรอกหาทางออกหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นแหละมันอาจจะต่อสู้บ้างนะมันอาจจะต่อสู้บ้างอันนี้เราเคยเได้ยินได้ฟังแล้วก็บางครั้งก็เคยได้พบได้เห็นนะว่าไอ้คำว่าจนกรอกเนะี่ยบางครั้งมันสู้นะสู้สุดชีวิตเลยนะอันนี้เราเห็นมีมากเคยทราบว่า พวกในพันธ์ต่างๆไปล่าเนื้อในป่าบางครั้งก็ไปยิงหมูป่าเข้าหมูป่านี่พอมันได้รับบาดเจ็บแล้วนี่มันสู้สุดชีวิตเลยบางครั้งก็ถึงอสู้ถึงกับในพันธ์นั้นตายก็มีหรือมิฉะนั้นก็บาดเจ็บทุกพลภาพไปเลยก็มีนะเพราะเขี้ยวเขี้ยวหมูป่านี่ถือว่าเป็นพิษสงคนกลัวมากนะคนกลัวมากนะฉะนั้นอันนี้แหละ บางครั้งก็เข้าในทํานองที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตูนี่อันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นอันนี้แล้วก็ฝากพวกเราทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดว่าเราอย่าเบียดเบียนกันเลยนะอย่าเบียดเบียนกันเลยนะการเบียดเบียนกันนี่เป็นการสร้างสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นอย่างหนึ่งนะและเป็นการเหยียบย่าน้าใจผู้อื่น นะเป็นการเหยียดย่ำน้ําใจผู้อื่นไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่นนะไม่เคารพกันและยิ่งไปกว่านั้นก็เท่ากับว่าเรานี้ไปทําลายอความสุขของเขานะไปทําลายความสุขของเขาไม่ดีนะเป็นทุกข์เป็นเดือดรอ้อนอันนี้ก็เคยมีเรื่องซึ่งจําไว้ได้ว่ามีคนหนึ่งก็บอกว่า ไปซื้อของมานะไปซื้อของมาซื้อพวกเนื้อมานะไปซื้อเนื้อมาอันนี้ก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดที่ในกรุงเทพนะทราบว่าเหตุนี้ก็เกิดแถวแถวแถวแถวแถ ว, วัดอา่าข้างๆโรงพยาบาลพระมงกุเก้าเนะี่ยพระมงกุเนะี่ยวัดที่อยู่ใกล้ๆนั้นะว่าวัดนั้นปรากฏว่ามีงานศพนะมีงานศพ ทีนี้ทางเจ้าภาพก็จัดงานขึ้นก็ไปซื้อเนื้อมาก็ปรากฏว่าในขณะที่ซื้อเนื้อมาทำอาหารเพื่อจะเลี้ยงแขกเรือที่มาในงานนั้นเธอไปอย่างไรไม่ทราบสุนัขมันก็เลยมาเอาไปกินหมดนะสร้างความเดือดร้อนนะสร้างความร้อนใจให้กับเจ้าของมานะคิดอาฆาตสุนัขตัวนั้นนะอาฆาตมากถึงกับเวลาสุนัขนั้นหมาเอาเนื้อล่ออีกนะ พอสุนัขนั้นมากินก็เอาน้าร้อนในสาดราดลงไปเลยอย่างเต็มที่เลยนะเพราะสุนัข ก, กําลังอกินเนื้อนั่นเพลินรากดสุนัขมันร้องอดโอยร้องอดเวนอย่างน่าเวทนาอย่างน่าสงสารเนื อ, อถูกน้าร้อนกรบป๋โตยลองตัวเองแค่กระเซ็นถูกนิดๆหน่นอยๆเขาก็ร้องแทบตายแต่ น, นี่เอาน้าร้อนทั้งหม้อเลยสาดลงไปผลที่สุดสุนัขตัวนั้นตายนะท่านผู้ฟังทั้งหลายตายน่าสงสาร แต่ก็นั่นแหละกรรมมันทันตาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวปรากฏว่าเมื่อเมื่อเจ้าคนนั้นได้แกงเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อเต็มเพียบเลยหม้อใหญ่เพราะแขกเรือที่มายกก็เลยยกขึ้นให้คนรับเพราะของยาวขึ้นไปในไปวางไว้ในที่สูงงั้นก็มีคนรับตัวเองก็ส่งข้างล่าง ปรากฏว่านคนรับนั้นก็จับหูผิดไปข้างหนึ่งก็เหลือไว้ข้างหนึ่งไอ้น้ําแกงที่ร้อนๆมันก็เทหกลดตัวเองมาตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยนี่ผมที่สุดก็โอ้ยแกงร้อนๆเลยมันแสบมันเปร้อนไปทางเนื้อทางตัวทนพิศไม่ไหวก็ตายอีกเหมือนกันนี่นะอันนี้เป็นเรื่องจริงเห็นไม้มท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เนี่ยที่บอกว่าคนเรานี่บางครั้งกรรมมันก็ให้ผลทำตาให้ผลทาตาเลยฉะนั้น เราอย่าเบียดเบียนกันเลยนะอย่าเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันก็คือว่าเป็นต้นว่ามีการอาจจะทำร้ายร่างกายกันให้ทุกพลภาพก็ดีให้หมดอิสรภาพก็ดีเอาสัตว์มากักขังก็ดีเอาคนเอามนุษย์มากักขังก็ดีหรือบางที่ก็เรียกว่าใช้แรงงานเหมือนอย่างทาสนะที่เราทราบว่าบางทีก็ ไปรับคนงานมาจากภาคอีสานภาคเหนือที่ไหนก็แล้วแต่เอามาทํางา น, เ ห, นเหมือนอย่างท่านก็คือว่านอกจากไม่ได้รับค่าแรงงานตามที่กฎหมายกําหนดให้แล้วก็ยังใช้เกินเวลาหามรุ่งหามค่ําแล้วโดยมากพวกนี้ก็เป็นเด็กเล็กๆบางคนนี่ก็ถึงกับเจ็บปวดป่วยไข้เป็นโรคขาดอาหารเป็นง้อยเป็นเปรีย้ยอันนี้เราได้ ได้ยินได้พบได้เห็นอยู่เสมอนะทางสถานีวิทยุหรือว่าทางหนังสือพิมพ์ซึ่งเขาลงมาก็ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกลางต่างๆก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะขจัดปัญหานี้ให้หมดไปแต่ก็หาได้หมดไปไม่นะก็ยังมีบรรดาพวกโรงงานต่างๆพยายามจะเอาเปรียบนะเอาเปรียบคนอื่นหรือตกตาเจ้าหน้าที่ด้วยการไปเอาพวก แรงงานพวกเด็กๆมาเป็นแรงงานอทําทในอุตสาหกรรมของตนทําทเป็นแบบว่าเหมือนอย่างกระทาดเลยอันนี้น่าสงสัยเนี่ยนีแหละถือว่าเป็นการเบียดเบียนกันคมเหงน้ําใจกันและอีกประเภทหนึ่งก็คือว่า <c oughs> เบียดเบียน ด, ด้วยการฆ่าฆ่าเบี้ยยี้ปล้นฆ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนกันนะยี G ่ปล้นฆ่าหรือว่าพูด จะถาดถามหรือกดขี่ข่มเหงน้ําใจพูดยุยงจงเสริมเสียดสีทําให้เขาต้องเสียอกเสียใจทําให้เขาต้องต่าลงทําให้เขาต้องเดือดเนื้อร้อนใจนี่ก็เป็นการเบียดเบียนกันถือว่าเป็นการเบียดเบียนกันนะนเ้นฉะนั้นอันนี้แหละขอให้ท่านผู้ฟังได้รกไว้เสมอว่า เ, าเราเราให้ทุกแก่เขาไอ้ทุกนั้นมันก็จะต้องมาถึงตัวเราาสักวันหนึ่งจนได้สักวันหนึ่งจนได้ ฉะนั้นเราอยากเบียดเบียนกันเลยนะเราจะ่เบียดเบียนกันเลยนะไม่ดีเราก็ไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราก็ไม่อยากมาให้ใครมาโกรธเคืองเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาทุบมาตีเราเราก็ไม่อยากให้ใครมากัดขังเราเพราะมันไม่มีอิสระไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยฉะนั้นการไม่เบียดเบียนกันนี้ถือว่า เป็นอุบายที่จะทำให้เราทุกคนนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความร่วงเรืองมีแต่ความสวัสดีโดยทั่วกันฉะนั้นเมื่อเราไม่เบียดเบียนกันแล้วเราก็จะต้องมีเมตตาพรหมวิหารคำว่าเมตตาพรหมวิหารก็คือว่ามีความปรารถนาดีต่อกันมีความรับพักดีต่อกันความรับที่เกิดจากเมตตานี้ ไม่เป็นความรักที่เจีอกผลไปด้วยความใคล่าไม่ใช่ความรักที่เป็นราคะคือความกำหนัดความยินดีแต่ความรักในความปรารถนาดีต่อกันน่ะปรารถนาดีต่อกันปรารถนาที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันไม่มีการอาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเรามีเมตตาพรหมวิหาร ฉะนั้นคนที่มีเมตตาก็ยังที่บอกไปเมื่อกี้อะเหมือนกับคนที่มีน้ํำนะมีน้าน้ําคือขันติเมตตาขันติเมตโตะกังน้ําคือขันติเมตตาเป็นเครื่องฉลมจิตใจของคนเราดีที่สุดดีกว่าน้ําภายนอกอีกนะน้ําภายนอกนั้นก็มีประโยชน์มากมีค่ามากสุดที่จะพนานาแล้วนะแต่ว่าน้ําคือขันติเมตตานี้เป็นน้ําภายในนะเป็นน้ํา เป็นน้ำธรรมโอสถที่จะชะโลมจิตใจของคนเราที่ร้ายก็ให้กลายเป็นดีนะที่ร้อนก็ให้เป็นเย็นนะที่ร้อนก็ให้เป็นเย็นเรียกว่าไอท้ที่ไอ้ที่ร้ายก็น่ารักนะไอ้ที่ชังก็กลายมาเป็นชอบนี่ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีเมตตาต่อกันนะปรารถนาดีต่อกันเราก็จะมีแต่ความสุขก็จะมีแต่ ความสดชื่นนะมีแต่ความสมหวังโดยทั่วกันทั้งสองฝ่ายมาในข้อที่สามนะข้อที่สามก็คือมาตาปิตุปปฐานนะหมายความว่าให้เรารู้จักบำรงมารดาบิดาของตนให้เป็นสุขนะทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าบำรงมารดาปฏิบัติมารดาอันนี้ถ้ากล่าวตามหลักก็ ซึ่งมีมาในพระสูตรท่านแสดงไว้ห้าอย่างคือหนึ่งิดามารดานั้นท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านตอบสองช่วยทากิจของท่านสามดำรงวงศ์สกุลสี่ประพฤตินให้เป็นคนควรนับรัพย์มรดกห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้นี่แหละได้ชื่อว่าปฏิบัติมารดานะปฏิบัติมารดาอันนี้ก็ ขอให้ท่านจงทันความเข้าใจนะอันนี้ในหลักสูตรในข้อนี่ว่าสัพปริสสะบัญญัติข้อที่ท่านพระพุทธตั้งไว้นั้นก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าจะขยายให้กว้างออกไปอีกนะให้กว้างออกไปที่บอกว่าให้เรารู้จักปฏิบัติมารดาบิดาของตนให้เป็นสุ kn ั้นอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาได้ยกย่องไว้ว่าพ่อแม่นั้นมารดาบิดานั้นถือว่า เป็นครูคนแรกของลูกเป็นบุรพาจารย์ของลูกก็หมายถึงว่าเป็นอาจารย์คนแรกที่อบรมสั่งสอนลูกที่สอนให้ลูกรู้จักคําว่าแม่เป็นคนแรกก่อนครูใดๆในโลกสองมีดามารดานั้นพระพุทธองค์ท่านเปรียบแปลว่าเป็นเทพพ ย, ยดาของลูกนะเป็นเทพพ ย, ยดาของลูกที่คอยปกป้องคุ้มครองลูก บุคคลอื่นในโลกนั้นไม่มีใครที่จะปกปก้องคุ้มครองโลกดีไปกว่าพ่อแม่นะดีไปกว่าพ่อแม่ฉะนั้นพ่อแม่ที่ปกป้องคุ้มครองโลกโดยเอาชีวิตเข้าไปแลกไใจ น, นะประการที่สามพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่ามารดาบิดานี้เป็นพระพรของลูกก็คือว่าเป็นผู้ที่รักใคร่หวงแห็นลูกปราถนาให้ลูกนั้นมีความสุขนะแล้วก็ยินดีเมื่อยามที่ลูกนั้นได้ดี หรืยามที่ลูกนั้นได้ดีถึงที่สุดแล้วก็วางเฉยหรือว่าถึงความตกรกรรมลําบากถึงที่สุดอาจจะถูกเขาจับจองจอําด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่เมื่อสุดฤิสัยที่พ่อแม่จะช่วยได้ท่านก็วางเฉยนี่แหละได้ชื่อว่ามารดาบิดาเป็นพระพรมของลูกก็คือว่ามีคุณธรรมที่ทําให้เป็นพรหคือมีจิตใจสูงนั่นเอง เาการที่สี่พระพุทธองค์ท่านได้กัดไว้ว่ามารดาปิดาถือว่าเป็นอาหุนเป็นอาวุนในยะบุคคลของลูกก็คือว่าเป็นบุคคลที่ลูกทุกคนนั้นควร น, นำข้าวน้ำเสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบายของกินของใช้อยู่จ ร, รักษาโรคมาบำรุงบำเรอท่านให้อยู่อย่างเป็นสุขนี่ฉะนั้นถ้าหากว่าใครทราบอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดทุกคนก็อยากจะเลี้ยง อยากจะเลี้ยงครูบาอาจารย์อยากจะเลี้ยงเทพพญดาอยากจะเลี้ยงพระพรหมอยากจะเลี้ยงอาหุนเยบุคคลเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนเราทุกคนนั้นถ้าหากว่าได้บำรุงบำเรอเลี้ยงดูอุปถัมภ์บำรงพ่อแม่คือครูบาอาจารย์พ่อแม่คือเทพยดาพ่อแม่คือพระพรหมพ่อแม่คืออาุนเยบุคคลของลูกแล้ว ลูกคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกกะตันยูนะเป็นลูกที่ดีและลูกกตันยูนี่พระพุทธองค์ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกเพราะคนเนาส่วนมากนั้นมักจะลืมผู้มีพระคุณการลืมเรื่องผู้มีพระคุณก็คือถูกตัณหาวิชาครอบงํานำะครอบงําหลงลูกหลงเมียหลงทรัพย์สมบัติหลงสามีอะไรกันแล้วแต่ทําให้ลืมผู้มีพระคุณไปอันนี้เนะี่ย ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเมื่อเราทราบว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบนะต้องเลี้ยงท่านตอบไม่เลี้ยงไม่ได้นะไม่เลี้ยงไม่ได้ถ้าเราไม่เลี้ยงเราก็ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลถ้าเราไม่เลี้ยงเราก็จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ข้อนี้สําคัญแน่นอนที่สุดการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั้น ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ง่ายแล้วก็ถ้าตั้งใจเลี้ยงแล้วก็ไม่ยากนะไอ้ที่ว่าไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ง่ายก็คือว่าคนแก่นัมพระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าเหมือนกับเด็กๆนะคนแก่เหมือนกับเด็กๆใจน้อยนะอันนี้มันก็แปลกคนยิ่งอายุมากเขาแทนที่ว่าใจมันจะแก่ตามตัวไปด้วยเปล่านะอายุมันแก่แล้วใจกลับน้อยนะใจกลับน้อยใครพวก โน่นนิดนี่หน่อยเนยะกระทบจิตใจหน่อยเราไม่พอใจนะยิ่งลูกไปพูดกระทบจิตใจหน่อยนะพ่อแม่เนี่ยจะไม่พอใจจะน้อยใจบางครั้งพ่อแม่ก็ถึงกับต้องติดห้องร้องไหนะ้ไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตานะน้อยใจที่ลูกมันว่าน้อยใจที่ลูกดื้อด้านน้อยใจที่ลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่น้อยใจที่ลูกมันชักนำพ่อแม่ขึ้นโรงขึ้นศาลบางครั้งถึงกับติดคุกติดตารางก็มีนี่ ลูกอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ปรารถนานะฉะนั้นเราทุกคนควรจะเลี้ยงท่านต่อการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะจึงไม่บอกว่ายากอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าพ่อแม่เป็นคนแก่ใจน้อยนั้นะเราต้องเอาใจนะเอาใจเด็กๆ เ, เหมือนกันเด็กๆนีจใจน้อยนะเล็กๆเกนี่ยอุ๊กจะเอาอย่างนั้นร้องให้จะเอาอย่างนี้ ยัางเรามีลูกหลายคนไอ้ลูกคนนั้นจะเอาอย่างนี้ไอ้ลูกคนนี้จะเอาอย่างนั้นไอ้ลูกคนนั้นก็เรียกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยห้าคนก็ห้าชนิดดันั้นพ่อแม่ต้องเอาใจต้องปลอบโยนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ลูกทุกคนก็หายร้องไห้ดีใจเหมือนการคนแก่เหมือนกันลูกต้องปลอบใจแต่ว่าลูกไม่อยากปลอบใจคนแก่ไม่อยากปลอบใจแม่มันไม่เหมือนกับปลอบใจเด็กนะไม่เหมือนกับปลอบใจเด็กรู้สึกว่าอันนี้แหละ นั่นจึงขัดความรู้สึกระหว่างช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกนะจากนั้นถ้าลูกคนใดแน่นอนที่สุดตราฐานหวังที่จะเลี้ยงพ่อแม่โดยไม่คํานึงโดยไม่รังเกียจว่าเป็นคนแก่แน่นอนที่สุดลูกคนนั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะแต่การที่สองที่บอกว่าช่วยทํากิจของท่านอันนี้ก็หมายความว่าท่านมีกิจการงานอันใด เราจะต้องพักการงานของเราไว้ก่อนหยุดการงานของเราไว้ก่อนไปช่วยทํากิจของท่านถ้าลูกไม่ไปช่วยทํากิจการงานของพ่อแม่แน่นอนที่สุดพ่อแม่แก่เท่าแล้วก็ทําไม่สะดวกหรือทําไปก็อาจจะเกิดทุกเกิดโทษเพราะคนแก่ก็นั่นแหละจะเดินจะเหินจะหยิบจะทําอะไรมันก็อวัยวะมันก็ไม่เข้มแข็งแรงนะอาจจะหกล้มนะอาจจะเรียกว่าเดือดร้อนมากขึ้นอีกนะเดือดมากขึ้นอีก มันก็หูฝ้าตาฟางไม่เคยเห็นอะไรมันก็อาจจะเกิดภยัยต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นกับคนแก่ได้นะฉะนั้นถ้าเราไปช่วยท่านแล้วท่านก็จะสบายใจนะท่านก็จะดีใจว่าเออลกูกกูได้เลี้ยงมาแล้วก็ยังรู้จัก บ, บุญคุณนะยังไมมาช่วยทำให้สำเร็จร่วงไปได้โดยดีอย่างนี้พ่อแม่ก็ปลื้มใจพ่อแม่ก็ดีใจนะอาการที่สามที่บอกว่าดารงวงส ก, กุล นะครัาลูกดํารงวงศ์สกุลก็คือว่าร้านลูกคนนั้นต้องประพฤติตนให้ดีนะประพฤติตนให้ดีการที่ลูกได้ประพฤติตนให้ดีนั่นแหละได้ชื่อว่าลูกดํารงวงศ์สกุลนะดํารงวงศ์สกุลก็คือว่าสิ่งใดที่ดีลูกก็ทํานะทาดีด้วยกายวาจาใจนะลูกอย่างนี้เท่ากับว่าดํารงวงศ์สกุลของพ่อแม่ เป็นการเผยแพร่วงสกุลให้กระจรกระจายไปคนดีเมื่อไปทำอะไรคนก็ย่อมยกย่องย่อมชมเชยย่อมบูชาสักการะชื่อเสียงก็ย่มอมกระจรกระจายไปเขาก็จะต้องถามว่าคนนี้ลูกใครเอ่ก็บอกลูกคนนั้นคนนี้นี่ลูกดีก็ย้อนไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พลอยดีไปด้วยตระโกลก็พลอยดีไปด้วยนี่ใครก็อยากมาใช้นามสกุลเนะี่ยเพราะเป็นคนดียากมี อยากมีดีกับเขานอยากรักคนที่ตระโกนนีนะ้เพราะเขาเป็นคนดีนี่แต่ถ้าหากว่าลูกไม่ดํารงว ง, งศ์สกุลก็คือลูกที่ประพฤติชันะ่วด้วยกายวาจาใจนหลงไหลแต่ในทางอังบายามุกนะสร้างความเดือดร้อนสร้างความหายนะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองอ่านะนะเกิดขึ้นกับพ่อแม่เกิดขึ้นแก่ครอบครัวเกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาติลูกอย่างนี้แล้วเท่ากับว่า ได้เชื่อเฉือนเอาเลือดเนื้อของพ่อแม่เอาไปประจานนะเอาไปประจานเอาไปทําลายลูกอย่างนี้จะได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าลูกที่ดีนั้นจะต้องดํารงวงศ์สกุลของพ่อแม่ก็คือว่าอย่าทําลายวงศ์สกุลของพ่อแม่ให้ขาดไปนะให้เสื่อมไปนะมีแต่ที่จะสร้างวงศ์สกูลให้จเจริญยิ่งๆขึ้นก็คือลูกที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนลูกที่ตั้งใจทํากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่าง และลูกที่ตั้งใจประกอบเกี่ยวกับเรื่องบุญทานการกุศลนะลูกอย่างนี้เป็นลูกที่พ่อแม่ต้องการประการที่สี่ที่บอกว่าประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกนะพ่อแม่นั้นจะมอบทรัพย์มรดกให้กับลูกคนใดนั้นก็จะต้องดูลูกสามคนสี่คนห้าคนย่อมมีอัตยาศัยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกัน ลลกบางคนก็อาจจะเรียนเก่งนะแต่ว่ามารยาทอาจจะไม่เรียบร้อยโลกบางคนมารยาทดีแต่ว่าเรียนไม่ค่อยเก่งลูกบางคนเรียนก็ไม่ค่อยดีนะมารยาทก็ไม่ค่อยดีลูกบางคนเรียนดีด้วยมารยาทดีด้วยนะอย่างนี้ก็มีฉะนั้นพ่อแม่จะมอบทรัพสมบัติให้ไขต้องดูว่าลูกคนนั้นจะรักษาทรัพสมบัติได้ไหมนะจะ แล้วก็จะทําทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่มีอยู่นั้นให้ยืนยาวแล้วก็ยืนยงอยู่ได้ไหมให้ออกนอกออกผลงอกงามขึ้นได้ไหมถ้าท่านเปรียบเทียบช่างใจดูแล้วท่านก็จะมอบทรัพย์สมบัติให้กับลูกประเภทนี้นะฉะนั้นเราก็จะต้องประพฤติตนให้เป็นคนที่ดีนะให้เป็นคนที่ดีให้เป็นคนที่ดีก็คือต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมต้องเป็นคนมีคุณธรรมนะ คนที่มีคุณธรรมนะั้นย่อมจะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ได้อย่างหนึ่งและก็สามารถที่จะเอาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่มีอยู่นั้นไปทําให้ออกดอกออกผลมากขึ้นกว่าเดิมโดยวิธีการต่างๆนะโดยที่ว่าไม่ให้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นั้นต้องขาดหายไปมีแต่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังทําทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติ ลูกอย่างนี้แนี่พ่อแม่จะมอบทรัพย์สมบัติให้ประการสุดท้ายคือประการที่ห้าเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้ทําบุญอุทิศให้ก็คือว่าการที่ลูกไปทําบุญอุทิศให้กับพ่อแม่หรือบรรพชนผู้ที่ได้ร่วงลับไปแล้วนั้นก็เพื่อเป็นการฟ้องว่าโลกนั้นดีหรือไม่ดี ถ้าหากว่าลูกไม่กระทำบุญอุทิศให้ก็ถทคว่าลูกนั้นไม่ดีนะลูกนั้นไม่ดีไม่รักษาวงจักรุณพ่อแม่เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาลูกก็ต้องให้ทานนักษาศีลเจริญภาวนาต่อไปการทำบุญอุทิศให้นั้นก็บางครั้งก็ปวดความไม่ประมาทพ่าพ่อแม่ของเราที่ล่วงลับไปนั้นท่านจะไปอยู่ในคติอันใดไปอยู่ในสุขติหรือทุกตินะ ถ้าไปอยู่ในทุ ก, กติท่านก็อาจจะมีความทุกข์เดือดร้อนมากโดยเฉพาะก็คือว่าถ้าหากว่าท่านไปอยู่ในประทัตโตปชีวิเปรตก็คือไปเกิดเป็นเปรตแน่นอนที่สุดท่านก็จะต้องคอยรับส่วนบุญที่ลูกอุทิศไปให้ถ้าลูกไม่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านก็ไม่ได้รับนะท่านก็ยังมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นเราก็ต้องทําบุญอุทิศไปให้ท่านนะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในคตินั้นจะไปเกิดเป็นเทพปดามไปเกิดเป็นพระพรมแต่บุญที่เราทําไปให้นั้น ก็ย่อมไม่ไม่ศูนย์เปล่าอาจจะได้กับญาติของเร า, าต้องได้กับญาติของเราไม่ญาติครางพ่อก็ต้องญาติครังแม่หรืออาจจะได้กับเพื่อนของเร า, าถ้าหากว่าไม่มีญาติของเราไม่มีอา่าเพื่อนของเรามันก็ย่อมมาตกอยู่กับตัวเราเองเรียกว่าไม่ไม่มีคําว่าศูนย์เปล่ า, าไม่มีคําว่าศูนย์เปล่าเลยฉะนั้นอันนี้แหละขอให้เราทุกคนเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วก็จงทําบนอุทิศให้อ่า การทำบุญบุญทิศให้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นโลกที่ดีจเจริญรอยตามบิดามารดานะะเจริญรอยตามบิดามารดาเมื่อลูกทำอย่างนี้ก็จะเป็นที่เคารพรักนับถือของคนทั่วไปฉะนั้นก็ขอสรุปสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แน่นอนที่สุดควรจะตั้งอยู่ในคุณธรรมสามประการก็คือ ข้อที่สัตบุรุษควรตั้งไว้ควรตั้งไว้คือหมายความว่าผู้ที่เป็นสัตบุรุษนั้นจะต้องประพฤติ ท, ทาสามประการก็คือมีการเสียสละคือการให้ทานอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างที่สามก็คือบำรงมารดาบิดาให้เกิดความสุขและที่ท่านตั้งไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้คนทั้ ง, งหลายได้ประพฤติปฏิบัติ เมื่อผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศนะจะเกิดประโยชน์อย่างมากนะหมายความว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้กรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์นะให้คนเราเป็นไปต่างๆกันบางคนก็เกิดมายากจน อ, อขัดสนบางคนก็เกิดมาเกิดมาร่ํารวยเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีเนี่ยนะบางคนก็เกิดมาพิการบางคนก็เกิดมามีกําลังดี บางคนก็มีสุขบางคนก็มีทุกข์บางคนมีเพื่อนบ้านที่ดีบางคนมีเพื่อนบ้านไม่ดีอันนี้เนี่ยมันเรื่องของกรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์เป็นเครื่องจําแนกให้คนเราดีและเลวได้ให้คนเราสุขและทุกข์ได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนทำำํากรรมดีการทํากรรมดีในประการแรกก็คือว่าให้เราทุกคนนั้นรู้จักเอื้อเฟือฟ้อเผืแพ่เจือจาญซึ่งกันและกันจะเป็นอ่า คุณธรรมสำคัญยิ่งที่ทุกคนควรปรารถนาเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนียวน้าใจกันไว้ยึดเหนียวความสามัคคีกันไว้และย่อมจะควบคุมให้คนทั้งหลายนั้นมีความรักกันอย่างแน่นแฟน้นอย่างแน่นแฟนอย่างสมัครสมานกลมเปรียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าการให้นั้นย่อมสมานมิตรไว้ได้การให้นันมมนไไน้นย่อมผูกมิตรไว้ได้เพราะว่า ได้บอกไว้ในตอนต้นแล้วว่าการให้นั้นถือว่าเป็นการหยิบยื่นน้ำใจให้นะหยิบยื่นน้ำเชื่อมใหนะ้น้ำเชื่อมมันเหนียวนะใครได้รับมันก้นเหนียวนะมันติดกิจ ต, ติดใจติดไม้ติดมือนะแต่ว่ามันไม่เปื้อนเปื้เหมือนกับไอ้น้ำเชื่อมภายนอกอันนี้มันเป็นน้ำเชื่อมในทางกิจใจเชื่อมสามัคคีกันไห้เชื่อมความรักกันไหมนะฉะนั้น เราควรให้ทานนะควรให้ทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนทั่วๆไปนะเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนผู้ที่ตกทุกได้ยากอาจไม่จำเป็นว่าจะต้องให้กับคนเสมอไปก็คือว่าเราให้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนจะมาสร้างโรงเรียนก็ได้สร้างโรงพยาบาลก็ได้สร้างถนนพ้นทางก็ได้สร้างศาลาสถานะก็ได้สร้างสะพ า, านก็ได้ อันนี้เป็นประโยชน์ทั้งนะอย่างนี้แหละด้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่สัตว์รุษท่านได้กำหนดเอาไว้บัญญัติเอาไว้แล้วก็ระการที่สองก็คือว่าเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะมีอัตยาสายแตกต่างไม่เท่ากันนะบางคนก็มีอัตยาสายหยาบนะหยาบคายนะแต่ก็มีกำลังมากนะ บางคนก็ชอบกลมเห็นผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความลําบากนะแต่คนที่บางคนก็มีความสุภาพนะแต่ก็มีกําลังน้อยนะมีกําลังน้อยแล้วก็อยู่ก็ไม่ไม่คิดที่จะเบียดเบียนซึ่งใครซึ่งกันและกันนะอันนี้แหละถ้าคนเราเป็นคนที่ไม่ไม่ตราตรนาที่จะเบียดเบียนและกันก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอาล่ะ เท่าที่อาตมาได้บรรยายเกี่ยวกับในหัวข้อว่าสัพปุริสัปบรรญัติคือข้อที่สัตว์ุรุษควรตั้ ง, งไว้สามประการขอรอบพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร